ได้สลึงเฟืองในแผ่นดินสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวราชการที่สามใหญ่คุ้นเท้าแฝงเกตลาดเอาผลกำไรได้มากแกรู้ว่าในหลวงทรงโปรดพูดทำบุญสร้างวัดแกจึงสร้างวัดด้วยเงินรายได้ของแกสร้างเป็นวัดไว้ที่ตรอกแฝงพระนครครันสร้างวัดแล้วแกทุนพระราชทานานามทรงพระกาลูนาโปรด พระราชทานนามว่าวัดคณิกาผลแก่จึงนิมนต์มหาโตไปเทศฉลองหมายเหตุในประวัติส่วนนี้ในหลายแห่งมีอธิบายเพิ่มว่าเป็นรายไดจากการเปิดซ่องดังนั้นชื่อวัดจึงได้ชื่อว่าวัดคณิกาผลนะครับซึ่งคณิกาคือหญิงงามเมืองหรือโสเพณี มหาโตเทศว่าจะภาพคิดเพื่อเหตุเช่นนี้ทำได้ผลทุนรอนอย่างนี้ย่อมได้อ น, นิสงส์สลึงเฟืองเช่นตากับยายฝังเงินเฟื้องไว้ที่สิลารองหน้าบันไดเงินสลึงเฟื้องหนีไปเข้าคลังเศรษฐีไปติดอยู่กับเงินก้อนใหญ่ของเศรษฐีตาจึงขุดตามรอยที่เงินหนีไปเข้าไปจนถึงบ้านเศรษฐีเศรษฐีจึงห้ามไม่ให้ขุดตาก็จะขุดให้ได้อ้างว่า จะขุดตามไอ้น้อยไปหาอ้าใหญ่เศรษฐีจึงถามว่าไอ้น้อยคืออะไรตาก็บอกว่าไอ้น้อยคือเงินที่เทวดาให้ผมสลึงเฟืองเศรษฐีมั่นใจว่าเงินในคลังมีแตรกร่ก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเงินสลึงเฟืองย่อมหามีไม่จึงท้าตาว่าถ้าขุดตามได้เงินสลึงเฟืองเราจะทำขวัญให้ตาหนักเท่าตัว ถ้าขุดตามไม่ได้จะเอาเรื่องกับตาฐานเป็นคนร้ายบุกรุกตาก็ยินยอมเลยขุดต่อไปได้พบเงินสลึงเฟืองคลานเข้าไปกอดกับเงินก้อนใหญ่ของเศรษฐีอยู่เศรษฐีก็ยอมให้ตาปรับตามที่ตกลงกันไว้รันเอาตัวตาขึ้นช่างก็ได้น้ำหนักเพียงแค่สลึงเฟืองตามที่เทวดาเคยช่างให้ด้วยผลบุญที่ทาไว้น้อยตั้งมูลไว้ผิดฐานดังเจ้าของวัดนี้ สร้างลงไปจนแล้วเป็นการดีแต่ฐานตั้งไม่ถูกบุญใหญ่ผลจึงใหญ่ไปไม่ได้คงได้สลึงเฟื้องของเศษบุญเท่านั้นเจ้าของวัดขัดใจโกรธหน้าแดงแกเกือบจะดา่าเสอีกแต่เกรงเป็นหมินประมาทแกประเค้นเครื่องกันกระแทกกระแทกดังกุกกักใหญ่แกก็ขึ้นไปเชิญเสด็จทูลกระหม่อมพระคือรัชกาลที่สี่ขณะผนวดนั้น มาประธานทมบอกอันนี้ส่งบ้างต่ออีกกันทุนกระหม่อมทรงแสดงถึงจิตของบุคคลที่ทำกุศลว่าถ้าทำด้วยจิตผ่องใสไม่คุณมัวจะได้ผลมากถ้าทำด้วยจิตคุณมัวย่อมได้ผลน้อยดังเช่นสร้างวัดนี้ด้วยเรื่องคุณมัวทั้งนั้นแต่ท่านมหาโตท่านชักนิทานเรื่องทุกขตาบุรุษที่เคยทำกุศลเศร้ามองไวแต่ชาติก่อน รันมาชาตินี้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เหมือนเขาแต่ยากจนจึงได้ไปอ้อนวอนขอเงินเทวดาที่ต้นไม้ใหญ่เทวดารำคาญจึงช่างตัวบุรุษนั้นแล้วให้เงินตามน้ำหนักรันจะให้น้อยก็จะว่ากแกล้งให้รันจะให้มากก็มีเห็นมีบุญคุณควรจะได้มากเทวดาจึงช่างตัวให้เขาจะได้สินธุรา ต, ต่อว่าต่อขานช่างให้ตามน้ำหนักตัว เป็นอันหมดแง่ที่จะค้อนติงต่อว่าเรื่องนี้ในดีกาพระอภิธรมรมราดีกาจาร์ท่านแต่งไส้ทำฉากให้พระมหาโตตัดสินบุญรายนี้ว่าได้ผลแห่งบุญจะอํานวยเพียงเล็กน้อยคือท่านแบ่งผลบุญเป็นแปส่วนคงได้ผลแต่สามส่วนเหมือนเงินหนึ่งบาท8เฟืองวงเว้าหายไปเสียห้าเฟืองคือห้าส่วนคงได้แต่สามส่วน ยังดีนักทีเดียวถ้าเป็นความเห็นของข้าพเจ้าคงจะตัดสินให้ได้บุญเพียงสองภัยเท่านั้นในการสร้างวัดด้วยวิธีคิดในใจไว้แต่เดิมเท่านี้มีดีเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการดังนี้หมายเหตุผู้อ่านให้สังเกตนะครับว่า ในที่นี้เหมือนจะเน้นไปที่จิตในการตั้งใจสร้างวัดที่ไม่ได้เกิดจากศรัทธาในการอยากทำประโยชน์ให้ส่วนรวมแต่เป็นการทำดีเอาหน้าแต่ในหลายแห่งเรามักพบว่าเป็นเพราะเงินที่ได้มาสร้างวัดนั้นเป็นการทำนาบนหลังคนเป็นเงินของเจ้าของซ่องเป็นรายได้ที่ได้มาโดยไม่ชอบทำแม้จะสละเงินก้อนใหญ่แต่ก็ได้บุญเพียงเล็กน้อยเท่านั้น